อ่าวันนี้สมาชิกเก่าๆเกือบทั้งหมดมีใครไม่ สมภารมนตรีอภัสสโลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ๆรุ่นหลวงปู่ปั้นหลวงปู่อ่อนเลย กูอ่อนเก้าคุณโชชหนูพ่อมิตรีนี้ก็เป็นรุ่นหลังอาวุโสในรุ่นหลังหนูพ่อเนี่ยแทบอยู่รุ่นสุดท้ายไปเรียนแบบก่อนท่านมรณาภาพปีกว่าขว่ายไปเรียนแบบก่อนท่านหกครั้งสาม 6 ง. ไป 6 ครั้ง 3ๆไม่ ไปยกแรกที่สอนไปยกถัดมาบอก เรียนท่านสอนทั่วรัดเรียนก็มาให้ถึงจิตถึง สรรลักษณะก่อนนี้สุดสมัยนั้นก็ไปดูแล้วโอ้เห็นหน้า จิตออกนอกแล้วก็เพิ่มบันไหวยินดี จิตย่อมสោកนอกเพื่อจะรู้อารมณ์ทั้ง แสดงกิริยาการอะไรก็ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติตามความเคย รู้กายรู้ใจเราเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือเล่มนึง มันก็มันไปอย่างนั้นกับกรรมะตามรู้ตามดูนั่นเองมันมียัง <giving. S 1> ถึงว่านึงก็เห็นความจริงของกาย พอเห็นความจริงได้ละความเห็นผิดละกายใจ มันจะปล่อยวางความยึดถือกายจะปล่อยวางความยึดถือกายถ้าปล่อยวางหูจมูกลิ้นใจนั่นเองคือส่วน มันไม่ยึดถือจมูกมันก็ไม่ยึดถือกลิ่น ไม่ยินดีได้ยินร้ายในรูปไม ก็เกิดเป็นพรหมเป็นโสมนัสสอนุมัฏนะให้ยังต่ำ 20 ชั้น 16 ชั้น เข้าใจผิดเข้าใจผิดสุตาวะที่เป็นภูมิประนาคาที่ เนี่ยฟังแล้วก็ลืมฟังเล่นๆอย่างงี้ 1ๆาา20 เสียงกลิ่นรส เดี๋ยวถ้ามาได้ ให้รู้ๆรู้ซื่อๆนะไม่ได้รู้อะไรลึกลับซับ ไม่ใช่ว่าต้องๆง่ายๆนะเช่นสอนอริยสัจๆไปเนี่ยคราว สารเรื่องธรรมคำฐานเรื่องถือ 4 เรื่องสวรรค์เรื่องโทษ ทำให้สุดง่ายๆนะมันง่ายสุดๆเลยนี้พวกเรา ยังไม่คือในเกณฑ์ในตอนๆไปเรารู้สึกเราๆรู้สื่อ อย่างจะรู้จิตเนี่ยสงสัยจิตตั้งอยู่ตรงไหนจะไปดูที่ <c oughs> จะไม่รู้ที่เพดานปากหรือจะตั้งอยู่ที่เดียวหรือจะวิ่งขึ้นวิ่ง ไปเดินจงกลมแล้วมี 6 จังหวะบ้าง 7 จังหวะ ถ้าฟังธรรมะได้ถูกต้องนะฟังเป็นนะๆนะเดี๋ยวก็จะรู้จัก อารมณ์ก็ได้จิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยสังวรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติ ถ้ามีสติระลึกรู้สภาวะความเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหว เตรียมให้เราหัดรู้ทันใจของเราใจไปฟังก็รู้ทันนะใจ เกิดความสุขมีแต่ความเต็มอิ่มมันๆๆเบอร์ 49 ยัง 49 เอ้านี่เล็กๆทําอะไรอยู่หืออย่าไปลงอยู่ลงคิด เดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดินตามลําพวยนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว รู้สึกไม่เห็นมีทิศไทยอะไรเลยจะจีบเค้าเล่นๆอะไรเงี้ย เรเรเราไม่อยู่คราวนี้โกรธทั้งวันทั้งคืนถูกความโกรธครัด อย่าหลงกลวนนะตัวนี้ถูกหลอกสาหัสกันเลยจะข้ามพบค่ำชาติไม่ไหวเลยคิด เดี๋ยวนี้บางคนเค้าริเริ่มใหม่เออน่าสนใจนะ เนี่ยตามใจไม่ได้นะกิเลสต้องคอยรู้ทันอย่างบาง ให้เข้ารู้ทันนะจิตใจของเรามีธรรมชาติไหลลงที่ต่ําแต่ไหลลงที่ต่ําอัตโนมัติ ทําๆนิดๆนึงนะๆในๆๆ ถ้าสติสังเกตค่อยๆทําความรู้จักมันไปเช่นเออนั่งพุทโธพุทโธไปนะตั้ง แต่ผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั้นน่ะใจหนีไปคิดรู้จักมั้ย เธอรู้ว่าใจนี้ไปคิดไม่ว่ามนัสแค่ ที่มันจําได้แม่นแล้วสติจะเกิดเนี่ยเราก็ซ้อม บางคนสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยๆ ชีวิตจะได้มีรสชาติเดี๋ยวมันแหมหลาย ไม่เฉพาะเหวละผู้ดีอะไรเหวโกรธก็เหมือนกันเค้น 10ๆ10 แต่ไม่ใช่เกลียดชังมันโครานนะมีหน้าที่แห่งแล้วไม่มี พระพุทธเจ้าสอนให้ผมคนที่ควรชมเออเดี๋ยว สังเกตใจนะใจนะพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตมั้ยนี่คิดแล้วก็รู้มันหรือเอาซีดีไปฟังนะฟัง มีจนนับมีความสุขถูกอ่ะจิตใจได้รับความสงบร่มเย็น ตัวเค้าเคยอ่านงานรีพอร์ตอันนึงของหมอศรีธัญญานะบอกไม่ชอบพวกนักปฏิบัติ เหนื่อยแก่ๆมาฟังๆๆ ยิ่งปฏิบัติยิ่งขยันนี่เหมือนกับกิเลสเหมือนกันนะกิเลส ยิงภาวนาไปนะทางที่ชันๆจะยิ่งลาดลง ใหม่ๆลำบากล้มลูกคลุกครานแล้วอดทนแล้วเราให ต้องภาวนาไปเลยทํางานไปก็ภาวนาไปนี่แหละใช้ชีวิตปกติ แต่ดูกายต้องทำฌานก่อนถูกครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่าน รู้ลมก็เพ่งลมรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้ท้องเพ่ง ทำมาหากินด้วยการคิดชาวไร่ชาวนาอะไร ค่ำๆมานั่งอีกก็สงบอีกแล้วฟุ้งนี้ฟุ้งอีกแล้ว สติเกิดแล้วลึกขึ้นได้แล้วเครียดละจะภาวนาได้ไปนั่งประชุมเห็นหน้าไอ้ รู้ว่าสบายใจนะง่ายๆขนาดนี้หรือเราทําโปรเจกต์ไว้อันนึงไปเสนอเนี่ย วันนี้เจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดเคยเจอมั้ยวันนี้ไม่รู้ดวงก็แล้วดวงสวย ก็ติดอยู่คันที่ๆแค่เนี้ยทําไมยังไม่รู้ของง่ายๆแค่ จะทํางานของมันเองเดี๋ยวมันก็หนีไปปังเดี๋ยวมัน และถ้าโสดาบันมันนั้นน่ะเราก็เห็นกายก็จะได้